เรื่องเล่าผีหลอนตอนเสี่ยวพอ่อเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่พ่อของคุณทาราเจเอสได้พบเจอมาโดยเรื่องราวก็มีอยู่ว่าหนุ่มสาวบนดอยทางภาคเหนือสมัยก่อนเวลาจะจีบกัน ต้องเดินข้ามป่าข้ามเขาลัดเลาะหมู่บ้านเดินเท้ากันไปข้อนวันกว่าจะได้เจอหน้ากันไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยนี้ที่เขย่าแอปแล้วนัดเจอกันใกล้กสมัยก่อนนั้นกว่าจะได้เจอกันแต่ละครั้งก็ค่อนข้างลำบากและใช้ระยะเวลาเดินทางพอสมควร ยิ่งเป็นสาวต่างบ้านที่หน้าตาดีด้วยแล้วล่ะก็มีหรืที่หนุ่มต่างบ้านจะไม่ขายขนมจีบยิ่งหนุ่มบ้านไกลแต่มันมาให้เห็นหน้าทุกวันยิ่งทําคะแนนได้ดีกว่าหนุ่มบ้านไกลแต่ไม่ค่อยโผล่หน้ามาให้เห็นพ่อเล่าว่ามีเสี่ยวหรือเพื่อนสนิทคนหนึ่งสมัยแตกเนื้อหนุ่มวัยแรกรุ่น ได้ไปปิ้งปังสาวต่างบ้านชื่อว่ากรองแก้วหมู่บ้านที่กรองแก้วอยู่นั้นห่างออกไปหลายกิโลเมตรแต่เสี่ยวพ่อก็ดันดนเดินเท้าไปหาทุกวันออกจากบ้านแต่เช้าเดินตุเลงตุเลงออกไปกว่าจะกลับเข้ามาอีกทีก็ค่ามืดดึกดืน จนพ่ออยากเห็นหน้าเห็นตาของกรองแก้วบ้างว่ามันจะงามหยดย้อยขนาดไหนกันเชียวถึงทำให้เสี่ยวของพ่อหลงได้ขนาดนี้พ่อจึงตัดสินใจขอตามไปดูบ้างว่าแล้วเสี่ยวพ่อก็บอกไม่งามเท่าไหร่ไม่ต้องไปดูพ่อก็ว่าไม่งามแล้วจะไปเที่ยวไล้เที่ยวคือเขาทําไมทุกวันเสี่ยวพ่อก็บอกว่า ก็แค่อยากเห็นหน้าทุกวันก็พอจีบไม่ติดไม่เป็นไรพ่อก็บอกว่างั้นหาขอไปดูหน้าจิมเต๋อเซียวพ่อก็ไม่ให้ไปก็เถียงกันไปเถียงกันมาจนพ่ออ่อนใจไม่ไปก็ไม่ไปวะสงสัยมันจะหวงคงกลัวกรองแก้วจะมาหลงสเสน่ห์พ่อแทนเสียวของพ่อก็ยังคงทำเหมือนเดิมในทุกๆวัน เข้าสวนทำไรก็ไม่ไปจนแม่ของเสี่ยวพ่อมาบอกให้พ่อตามไปดูหน่อยว่ามันหายหัวไปไหนอยู่ได้ทั้งวี่ทั้งวันกว่าจะกลับเข้าบ้านก็ค่ามืดดึกดื่นข่าวปลาก็ไม่เคยกลับมากินที่บ้านมันเป็นแบบนี้หลายวันแล้วพ่อจึงตัดสินใจในเช้าวันรุ่งขึ้นไปดักรอเสี่ยวพ่อที่หน้าหมู่บ้าน ที่คาดว่าอย่างไรเสียเสียวมันก็ต้องผ่านตรงนี้แน่ๆว่าแล้วก็เจอเสียวพ่อเดินผ่านไปพ่อเราก็เดินตามจนเสียวพ่อหันกลับมาถามว่าชิ้งจะตัวหามัยเยหยังบะซึ่งเป็นคำพูดในภาษาเหนือแปลว่ามึงจะตามกูมาทำไมวะพ่อจึงบอกว่า แม่ชิงฮื้อหาตัวมาพอขิงว่าขิงหายหัวไปเน่ยอันยังไ่ยอมอยู่บ้านอยู่จ้องนะบะซึ่งก็แปลว่าแม่มึงให้กูตามมาดูว่ามึงหายหัวไปทำอะไรไม่ยอมอยู่บ้านอยู่ช่องเสียวพ่อก็บ่นว่าไรสาระหาจะไปไหนก็เรื่องของหาบดีมากวานใจแล้วก็รีบเดินจำอ้าวนำหน้าไปอย่างรวดเร็ว พ่อเราก็เร่งฝีเท้าตามไปติดๆจนพ่อเราเดินตามหลังไปโดยที่เสี่ยวพ่อก็ไม่สนใจว่าพ่อของเราจะเดินตามไปทันหรือไม่ทันต่างคนต่างเดินแต่จุดหมายคงเป็นที่เดียวกันเมื่อยางก้าวเข้ามาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งปลูกอยู่กันเป็นหย่อมๆตามตีนเขาเสี่ยวพ่อ ก็พาพ่อเดินไปตามทางของหมู่บ้านเรื่อยเป็นบ้านที่ปลูกเป็นขั้นตามไหล่เขาวเว้นระยะห่างกันพอสมควรจนพ่อถามว่ามันอีกไกลหรือเปล่ากว่าจะถึงเสี่ยวพ่อก็บอกว่าไม่ไกลเห็นหลังคาบนยอดนั้นไหมละ่ะว่าแล้วก็ชี้มือตรงไปข้างหน้าโนนเห็นไหมพ่อเราก็เห็นหลังคาลิบลิ แต่เอาวะมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าไม่งามหยดย้อยอย่างที่เสียวพ่อหลงล้ะก็มีเครื่องแน่ในที่สุดทั้งคู่ก็เดินมาจนถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้ยกสูงหลังคาเป็นเพิงมุงจากบนบ้านเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆห้องเดียวมีไม้ไผ่สารเป็นแคร์ตั้งอยู่ข้างบันไดมีพ่อแม่ และผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาจิ้มลิ้มกำลังนั่งทำกับข้าวอยู่ใต้ถุนบ้านพ่อแม่ยิ้มต้อนรับขับสู้เสี่ยวพ่อเป็นอย่างดีก็แง่ละสิเล่นมาจีบลูกสาวเขาทุกวันแบบนี้เขาก็ยิ้มแก้มปรีว่าลูกสาวจะได้ออกเรือนกับพ่อหนุ่มคนนี้เป็นแน่แท้เหตุการณ์วันนั้นก็ผ่านพ้นไปอย่างเรียบง่าย แต่สร้างความอิ่มเอมในใจให้แกเสียวพ่อเป็นอย่างมากพอจึงบอกให้เสียวพ่อรีบมามั่นหมายเสียถ้าอยากได้ครองแก้วเป็นแฟนก่อนที่จะมีหนุ่มบ้านอื่นมาชิงตัดหน้าไปเสียก่อนจึงเป็นการดีที่เสียวพ่อเอ่ยปากชวนครองแก้วไปเที่ยวที่บ้านของตัวเองบ้างโดยรับปากว่าพรุ่งนี้ จะรีบมารับแต่เช้าเพื่อพาไปให้รู้จักกับแม่ของตนพ่อแม่ของกรองแก้วก็ยินดีพร้อมบอกฝากฝังให้ดูแลน้องและให้รีบมาส่งกลับบ้านก่อนตะวันตกดินด้วยเช้าวันต่อมาเสี่ยวพ่อและพ่อก็รีบตื่นแต่เช้าเดินทางไปยังหมู่บ้านของกรองแก้วเพื่อรับและพาไปแนะนำตัว ให้แม่ของเสียวพ่อได้รู้จักและหากเป็นไปได้ก็อยากที่จะรีบหาเริกผูกข้อไม้ข้อมือหมายจับจองกรองแก้วให้เร็วไวเพราะกลัวจะถูกหนุ่มบ้านอื่นมาแย่งจีบไปเสียก่อนดังที่พ่อเราว่าไว้เมื่อทั้งคู่เดินทางมาถึงบ้านกรองแก้วและพากันเดินออกจากหมู่บ้านกรองแก้วหันหลังกลับไปมองพ่อกับแม่ และโบกมือให้ก่อนจะรีบจัเอ้าวมาให้ทันหนุ่มๆที่เดินนําหน้าอย่างไม่รีรอกรองแก้วตะโกนเรียกเสียวพ่อว่าให้เดินช้าๆหน่อยจาะพี่จา๋าขาฉันสัน้นเดินตามไม่ทันแล้วเสียวพ่อและพ่อก็พากันหัวเราะชอบใจกับความไร้เดียงสาของกรองแก้วพ่อจึงกระซ้าเสียวพ่อไปว่า คิงฟังเดินไปเนี่ยหยังจะฟัง้าสาวปิกบ้านไปแปลงเมียกะซึ่งก็แปลว่ามึงจะรีบเดินไปทำไมจะรีบพาสาวกลับบ้านไปทำเมียหรือว่าแล้วก็หัวเราะชอบใจกันใหญ่พ่อเล่าต่ออีกว่าครองแกว้วเป็นสาวแรกรุ่นผิวสวยหน้าใสแก้มแดงระเรื่อเป็นสาวชาวบ้านธรรมดาดูไม่มีพิษภัยอะไร แต่สาวแบบนี้ล่ละที่หนุ่มชื่นชอบเพราะว่าเหมาะแก่การมาเป็นแม่ของลูกมากกว่าคู่ควงไปวันๆเมื่อทั้งสามคนเดินทางมาถึงหมู่บ้านของตัวเองแล้วนั้นทางไปบ้านของเสี่ยวพ่อจะต้องผ่านป่ารกทึบซึ่งเป็นจุดที่กรองแกว้วขอหลบเข้าไปฉี่ก่อนที่จะเดินทางต่อไปอีกไม่ไกลก็ถึงบ้านเสี่ยวพ่อ ทุกครั้งครองแก้วมักจะขอตัวเข้าข้างทางเพื่อไปฉี่ก่อนเสมอและปฏิเสธที่จะไปเข้าห้องน้ำที่บ้านของเสี่ยวพ่อโดยให้เหตุผลว่ากลัวจะไปทำห้องน้ำบ้านของพี่สกปรกเสี่ยวพ่อจึงไม่ขัดใจเพราะไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแม่ของเสี่ยวพ่อ ถูกตาต้องใจครองแก้วเป็นอย่างมากเพราะเธอเป็นคนเรียบร้อยพูดจาอ่อนหวานจึงถามไถ่เรียบเคียงว่าหากจะขอมาเป็นลูกสาวอีกสักคนเจ้าตัวจะยินยอมไหมครองแก้วก็บิดม้วนอายแต่ก็พยักหน้ารับอย่างหลีกหนีไม่ได้ความรักของทั้งคู่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว หนุ่มก็เที่ยวไปรับสาวมาเที่ยวบ้านตนบางตนไปเที่ยวเล่นบ้านสาวบางจนความรักของทางคู่เริ่มสุขงอมจึงมีการตกลงเรื่องมั่นหมายสู่ขอกันให้เป็นเรื่องเป็นราวและกำหนดจะแต่งงานกันแบบเรียบง่ายสามเท่าสี่แก่พอเป็นพิธีทุกอย่างดำเนินผ่านไปอย่างรวดเร็วและรวบรัดตัดตอน ที่ว่ารวบรัดตัดตอนก็เพราะว่าเสี่ยวพ่อคิดไม่ซื่อแล้วน่ะสิก็หนุ่มสาวอยู่ใกล้กันไฟมันก็แรงทั้งคู่มันก็คงมีอารมณ์ประทุกันบ้างแล้วนะ่าเสี่ยวพ่อไปรับกรองแก้วออกมาจากบ้านเพื่อไปเที่ยวเล่นที่บ้านตนอย่างเคยแต่คราวนี้ใจมันคิดเตลิดไปไกลกว่านั้นไหนๆก็จะต้องแต่งงานกันอยู่แล้ว หอมมากกว่าหอมแก้มจะเป็นไรไปจึงกระซิบขอที่หูเบาๆว่าวันนี้ขอจ้ำบ้าสักทีก่อนเข้าหอได้ไหมกรองแก้วมวนเขินอายไม่ตอบตกลงแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธทั้งคู่เดินจูงมือกันมาโดยมีที่หมายก็คือบ้านของเสี่ยวพ่อแม่ของเสียวพ่อไปสวนไม่มีคนอยู่บ้าน ทำอะไรก็สะดวกดีกว่าจะไปแอบทำในป่าแต่ก่อนจะถึงบ้านของเสี่ยวพ่อกรองแก้วก็ต้องแวะเข้าไปหลบฉีที่ป่าข้างทางก่อนทุกครั้งอีกแล้วหรือวะนี่คือสิ่งที่เสี่ยวพ่อคิดแต่ไม่ได้เอ่ยปากออกมาให้ระคายหูกรองแก้วเพียงแต่เคยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พ่อฟังว่าเป็นแบบนี้ทุกที คนอะไรจะมาปวดฉี่ที่ตรงนี้ตลอดเวลาพ่อเคยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ปู่ฟังว่าเสี่ยวพ่อไปติดสาวหมู่บ้านตีนดอยปู่ว่าบ้านตีนดอยส่วนใหญ่มีเชื้อผีกะทั้งนั้นผีกะก็คือผีปอบตามความเชื่อของภาคเหนือพ่อจึงเล่าเรื่องที่กรองแก้วแวะชีที่ป่าข้างทางให้ปู่ฟัง ปู่จึงย้อนถามว่าป่านั้นอยู่ตรงไหนของหมู่บ้านเราพ่อจึงบอกไปว่าอยู่ก่อนถึงบ้านเสี่ยวที่เป็นป่าพุ่มๆปู่เลยถึงบางออถามต่อว่าอยากรู้อะไรดีๆไหมถ้าอยากก็ให้ทำตามแต่ถ้าไม่อยากก็ให้อยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้เพื่อนเองแต่งงานกับกรองแก้วไปซะ พ่อจึงนำความที่ได้จากปู่ไปเล่าให้เสี่ยวพ่อฟังเสี่ยวพ่อมีท่าทีอึดอัดใจเล็กน้อยแต่ก็อยากพิสูจน์อะไรบางอย่างให้หายแคลงใจเพราะปู่เราเป็นตำรวจที่พอมีวิชาบ้างในสมัยก่อนชาวบ้านถ้าไม่พึ่งหมอผีก็ต้องวิ่งมาหาปู่เรานี่แหละที่พอทำพิธีปัดเป่าอะไรได้บ้าง และเมื่อถึงวันที่เสี่ยวพ่อไปรับกรองแก้วมาเที่ยวเล่นที่บ้านกรองแก้วก็ขอแวะเข้าข้างทางเพื่อไปหลบฉี่เหมือนเดิมแต่คราวนี้กรองแก้วเดินหายเข้าไปเพียงครู่เดียวก็รีบวิ่งออกมาพร้อมกับอ้าปากแลบลิ้นร้องแห่แห้น้ำลายไหลตะโกนบอกเสี่ยวพ่อว่าไม่ไหวแล้วล่ะพี่แสบปากเหลือเกิน รีบพาฉันกลับบ้านเร็วรองแก้วเริ่มมีน้ำตาคลอเบา้าหน้าเริ่มแดงขึ้นปากพองแดงพร้อมอยังแหลบลิ้นที่มีน้ำลายไหลย้อยออกมาปากก็บ่นว่าแสบปากร้อนปากจนเสียวพ่อต้องรีบพากลับบ้านไปกินน้ำล้างปากจบจากเหตุการณ์นั้นเสียวพ่อเริ่มขาดการติดต่อกับกรองแก้ว จากที่ไปมาหาสู่กันทีทีก็เริ่มนานๆทีไปเจอจนกระทั่งห่างหายกันไปในที่สุดกรองแก้วก็ไม่เคยมาตามเสี่ยวพ่อที่บ้านถึงแม้จะรู้จากบ้านกันเป็นอย่างดีและแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็จบลงแบบงงงงเป็นที่น่าสงสัยและเสียดายสำหรับแม่ของเสี่ยวพ่อที่ไม่ได้กรองแก้วมาเป็นลูกสะภ้าย แม้จะถามความจากเสี่ยวพ่อว่าเหตุใดถึงเลิกกันก็ไม่ได้คำตอบจากเสี่ยวพ่อจนในที่สุดกรองแก้วก็หายสาบสูญไปจากชีวิตของเสี่ยวพ่อทั้งคู่ขาดการติดต่อและไม่เคยได้เจอกันอีกเลยจนถึงปัจจุบันสำหรับป่ารกทึบข้างทางก่อนจะถึงบ้านเสี่ยวพ่อนั้นเป็นที่ที่ชาวบ้าน นำกระดูควายมาทิ้งไว้หลังจากปู่แนะนำให้เสี่ยวพอ่อพิสูจน์อะไรบางอย่างจึงทาให้เสี่ยวพ่อมั่นใจว่าสิ่งที่ตนเห็นนั้นเป็นเรื่องจริงทุกครั้งที่ผ่านป่า น, นี้กรองแก้วจะขอหลบเข้าไปฉี่ตลอดเวลาจนเสี่ยวพอ่อนาพริกป่นต้มน้าแล้วเอามาราดไว้ที่ซากกระดูควาย หากกรองแก้วเข้าไปฉี่ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรกับเธอแน่นอนแต่หากเธอไม่ได้แค่เข้าไปฉี่ละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอก็ลองคิดดูเอานะคะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวห ล, หลอนจากคุณทารา J F ด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟัง